รู้จักฝรั่งคนหนึ่งเนเป็นชาวอังกฤษนะตอนที่รู้จักนั่นก็ตัมมาก็ยังเป็นแค่นักเรียนมัธยมนะมศ5ฝรั่งคนนี้ชื่อนิโคลัสเบนเ n ตนะเป็นที่ปรึกษาของกระทรวงศึกษาธิการนะแต่ว่าทำงานให้กับยูเนสโกเป็นคนที่ผักดันขับเคลื่อนเรื่องการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเมือ่อสัก 40ปีที่แล้วเนะเป็นคนที่เรียกว่าสมัยใหม่นะแต่ว่ามาสนใจพุทธศาสนาแล้วก็ปรัชญาตะวันออกภรรยานี่ก็เป็นครูโยคะคนแรกของอตมาสี่สิปีที่แล้วนี่โยคะมันถือเป็นเรื่องของคนคล่ำครื้อนะ ยังไม่ได้เป็นเรื่องสมัยใหม่เหมือนกับปัจจุบันแต่ว่าฝรั่งคู่นี้ก็เรียกว่าเล่นโยคะได้ได้ก้าวหนามากอาทิตย์หนึ่งก็จะมีการอดอาหารสมัยนั้นการอดอาหารก็เป็นเรื่องแปลกนะอย่าว่าแต่คนไทยเลยฝรั่งก็ถือเป็นเรื่องตลกนะอดอาหารวันละอ า, อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละวันแต่เดี๋ยวนี้นี่ การดีท็อกซ์นะเป็นที่นิยมนะดีท็อกซ์นี่ก็ต้องมีการตัวจาหารด้วย น, นิโครัสนี่ก็มาทํางานที่เมืองไทยอยู่หลายปีนะประมาณเกือบสิบปีแล้วก็ต่อหลังเขาก็อยากจะไปทํางานในประเทศที่ยากจนกว่าเมืองไทยตอนที่เขาอยู่เมืองไทยนี่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 ซึ่งรถก็ไปไม่ค่อยถึงนะต้องนั่งเครื่องบินไปตอนที่เขาไปอยู่ในปานี่นะก็ก็มีทุลา ต, ต้องเข้าเมืองหรือว่ามาเมืองหลวงบ่อยๆเป็นระยะระยะเพื่อมาอประชุมกับรัฐมนตรีหรือว่าข้าราชการระดับสูงไอ้ที่เขาอยู่เนี่ยนะมันก็ไกลนะ จะเดินทางเนี่ยก็ต้องนั่งเครื่องบินสนามบินนะหรือที่ถูกไว้คือลานบินนะไม่ใช่สนามบินนะ่ะเรียกว่าลานบินดีกว่ามันก็อยู่ห่างจากที่เมืองที่เขาพักมากต้องขึ้นเขานะประมาณสองชั่วโมงคำว่าขึ้นเขานีกไม่ถูกนะต้องว่าปีนเขาดีกว่าเพราะว่าไม่ได้นั่งรถนะต้องปีนเขาประมาณสองชั่วโมงแล้วก็ลงเขานะไปยังหุบ ไปยังหุบเขาอันนี้เร็วหน่อยนะก็เป็นแค่สักชั่วโมงหนึ่งไปถึงแล้วก็ไม่ได้แปลว่าจะนั่งเครื่องบินได้นะเพราะว่าถ้าภูมิอากาศมันไม่ดีนะเครื่องบินมันก็มาลงจอดไม่ได้บีนเขาแล้วก็ลงเขาถึงลานบินแล้วก็ต้องรอ รอนี่ก็ไม่รู้ว่าจะรอกี่ชั่วโมงนะกว่าเครื่องจะลงได้บางวันเนี่ยรอเป็นวันเลยนะเครื่องบินไม่มาเพราะว่าทัศนวิสัยไม่ดีเนื่องจากเนปานี่อย่างที่เราทราบมันภูเขาอะนะก็ต้องปีนกลับนะกลับบ้านนะอีกสองสามชั่วโมงนะแล้วมนลงขึ้นค่อยมาใหม่มาวันที่สองนี่ก็ไม่แน่ว่าจะได้นั่งเครื่องก่อนนะ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 รอนี่ก็ไม่มีความแน่นอนเลยว่าจะได้เดินทางหรือเปล่าและบางครั้งเนี่ยก็เสียเที่ยวเสียเวลาต้องกลับไปที่พัก mm hmm. เหนื่อยต่างหากแต่ว่า น, นิครัสนี่เขาเป็นคนที่ฉลาดนะเขาเป็นคนที่วางใจถูกเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเราเอา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 ชมนกชมไม้ชื่นชมธรรมชาติแล้วก็ถ้าเหนื่อยก็จิบกาแฟจิบกาแฟในป่าบนเขาเนี่ยชมวิวมันก็มีความสุขดีนะพอเขาปรับใจแบบนี้นะไอการเดินทางไปลานบินเนี่ย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 ทั้งที่ระหว่างทางเนี่ยมันก็มีสิ่งสวยงามนะให้ชื่นชมได้อาจารย์ประมวลเพ่งจันนะก็เป็นคนหนึ่งที่น่าสนใจตอนอายุห้าสิบตนตนนี้ก็ตัดสินใจกเกษียจากราชการนะเคยเป็นอาจารย์มอชเมื่อกเกษียแล้วก็ตั้งใจว่าจะเดินเท้าจะเดินเท้าเนี่ยนะจากเชียงใหม่เนี่ยกลับไปบ้านเกิดที่สมุยนะ ระยะทางก็พันห้าร้อกิโลเมตรได้มั้งไม่ใช่เดินเท้าเปล่าเปล่านะปณิธานตั้งปณิธานว่าจะไม่พกเงินนะจะไม่มีเงินสักบาทติดตัวไปเลยเป็นการสแสวงบุญนะเป็นการจาริกยิ่งกว่าพระธุดงค์อีกพระธุดงค์นะี่ยังมีโอกาสนะยังมีความหวังว่าจะมีคนใส่บาททุกเช้า ถ้าอยู่ในย่านชุมชนหรือผ่านหมู่บ้านแต่ว่าอย่างกรณีใจประมวลนี่ไม่แน่ใจเลยนะว่าจะมีคนหามีคนให้อาหารหรือเปล่าแถมก็มีเงื่อนไขข้อหนึ่งคือจะไม่ขออาหารใครไม่ขอหน้าไม่ขออาหารใครสุดท้ายแต่คนอื่นก็จะเมตตาเราก็จะไม่ไปไปนอนค้างบ้านเพื่อนด้วยจะไปในที่ที่ไม่มีคนรู้จักนะสามข้อนี้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 พอมีเรื่องมีแรงได้พักกายนะจิตใจก็ค่อยแจ่มใสอยู่บนดอยสักพักก็เดินลงมาพอลงมาเนี่ยพบว่าเห็นทัเนียภาพมันสวยงามมากนะถึงกับออกปากขึ้นมาโอ้มันอัศจรรย์เหลือเกินนะทัศนียภาพที่เห็นสองข้างทางระหว่างลงสักพักก็ฉุกคิดมาว่า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 แคนที่เดินทางเนี่ยหลายคนเนี่ยเขามองไม่เห็นความสวยงามของสองข้างทางหรือไม่รู้จักเก็บเกี่ยวความสุขนะระหว่างเดินทางเนี่ยเพราใจเขาไปอยู่ที่จุดหมายเรื่องของดิคลัสกับอาจารย์ประมวลนี่มันไม่ใช่เป็นแง่คิดสละการเดินทางเท่านั้นนะแต่มันยังเป็นแง่คิดสละการทำงานด้วยเวลาทำงานเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็รอ ว่าเสร็จเมื่อไหร่ถึงจะมีความสุขนะคิดถึงแต่ว่าเนี่ยเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีแต่ที่จริงเนี่ยถ้าเรารู้จักมีความสุขในระหว่างทำงานนะไม่ต้องรอให้สุขเมื่อมันเสร็จนะแต่ระหว่างที่ทำงานเราก็มีความสุขไปด้วยมันก็ไม่ยากนะเมื่อเรียนหนังสือเรียหนังสือเนี่ยจะไปหวังว่าจะสุขก็ต่อเมื่อเรียนจบหรือว่าเมื่อคะแนนออก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 มันเริ่มเครียดเลยแล้วพอทำไปทาไปก็ยิ่งเครียดนะยิ่งหงุดหงิดเพราะมันมันไม่ถึงสักทีไม่ได้อย่างที่หวังสักทีแต่ถ้าเรานะวางนะจุดหมายปลายทางหรือว่าผลสำเร็จที่คาดหวังเอาไว้ก่อนระหว่างที่ทำเนี่ยยกมือก็ดีเดินจงกลมก็ดีเป็นไงสบายไหมเออ มันมีความคิดเกิดขึ้นอ่าก็ก็รู้ทันมันนะรู้ระวางรู้ระวางผลข้างหน้ามันจะเป็นยังไงอยาจะรู้รูปนามจะมีอ่าความสงบนะจะพ้นทุกข์หรือเปล่ปป า, เ, าเป็นเรื่องข้างหน้านะอย่าไปสนใจพยายามอยู่กับปัจจุบันให้ได้แล้วก็หาประโยชน์จากปัจจุบันขณะ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 อยู่กับปัจจุบันไปใช้สติใช้ปัญญาใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ถ้าจำอยู่กับปัจจุบันัก็เพลินนะมีความเพลินภาวนาก็เหมือนกันนะหรือแม้กระทั่งมาจำพรรษานะไม่ต้องไปกังวลหรือว่าไปคุ้นคิดว่าเมื่อไหร่มันจะ ได้ความสำเร็จอย่างที่ปรารถนาเมื่อไหร่มันจะออกพรรษาทั้ทีแต่และวันนะแต่และชั่วโมงแต่และนาทีนะเราก็จิตใจก็ผ่อนคลายมีความสุขกับการปฏิบัติไปอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรทำด้วยอย่างที่พูดเมื่อวานนะว่าเวลาที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติคือตอนนี้นะ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 ถ้าเราสนใจในปัจจุบันนะทำแต่ละขณะให้ดีเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็เสร็จเองมันก็สาเร็จเองเดี๋ยวมันก็ถึงเองรถนะจะติดยังไงก็จิตก็ไม่ตกนะที่จิตตกหงุดหงิดก็เพราะว่ามันคิดแต่จุดหมายปลายทางเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงพอรถติดนะแต่ะ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 อยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยสำคัญมากคนไม่ค่อยเห็นคุณค่าเคยมีคนมามาตา ม, มาแล้วก็พอสนทนาสักพักนะแกก็ถามว่าเนี่ยที่บอกขอเดี๋ยวนะขอขอคำแนะนำนะในเรื่องการปฏิบัตินะ เพื่อการดำเนินชีวิตก็บอกแกว่าเนี่ยก็ให้รู้จักอยู่กับปัจจุบันขณะแกทำท่าง ง, งนะไม่ใช่ไม่เข้าใจนะแกคิดวแกเข้าใจแต่แกรู้สึกว่าแค่เนียงเหรอแค่เนียงเหรออยู่กับปัจจุบันขณะก็บอกว่าเนี่ยสำคัญนะปัจจุบันขณะใ น, นที่เราทุกข์ก็เพราะเราไม่ได้ไม่รู้จักอยู่กับปัจจุบัน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 แะสิ่งที่วิตตกเนี่ยและเหตุที่ทำให้วิตตกก็เป็นเรื่องว่าเรื่องความสําเร็จว่าไม่รู้ว่ามันจะสําเร็จไม่รู้ว่ามันจะเสร็จหรือเปล่านะบางทีก็คิดคิดไปถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วมีความเสียใจในสิ่งที่ผ่านไปแล้วไอ้สิ่ที่แกเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องความทุกข์ที่เกิดจากการที่ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันขนาดทั้งนั้นแหละพอใจมันไปอยู่กับอดีตบ้างไปอยู่กับอนาคตบ้าง แกเล่ามาทแท้แท้สิ่งที่แกเล่าเนี่ยมันก็ล้วนแล้วจะเป็นผลจากการที่ไม่รู้จักเอาใจมาอยู่กับปัจจุบันแต่แกไม่เห็นนะแกถึงรู้สึกว่าไอการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันเป็นคําแนะนําที่ดูเหมือนง่ายเนี่ยไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่แต่ความทุกข์ของแกนี่ที่เล่ามาเนี่ยมันล้วนแล้วแล้วแต่เป็นเรื่องการที่ไม่รู้จักอยู่กับปัจจุบัน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 ไม่ได้เลวไร้อะไรจริงความพุ่งซ่านที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะแต่ละขนาดเนี่ยมันก็มาเพื่อให้เราได้เรียนรู้มาเพื่อเราได้ฝึกฝนนะให้รู้วิธีปล่อยวางให้ความพุ่งซ่านที่เรารู้ส้ว่ามันมารบกวนจิตใจทำให้ไม่สงบที่จริงมันมานี่เพื่อเป็นครูมาเพื่อฝึกให้เรารู้จัก รู้ทันมันอย่างรวดเร็วอย่างที่พูดไปเมื่อวานนะมันมาเพื่อเราได้เรียนรู้ว่าเออไอความฟุ้งซ่านความกโกรธความหงุดหงิดเนี่ยมันมีหน้าตาอย่างไงนะมันมีอาการอย่างไรมันโพอให้เรามาเห็น บ, บ่อยๆเราก็จะจามันได้พอเราจำลักษณะอาการมันได้พอมันมาครั้งต่อๆไปเราก็จะรู้ทันเหมือนกับเราจำหน้าโจรได้นะ เราจำเสียงได้พอเราจำได้นี่พอเขาจะมาหลอกเราเราก็รู้ทันเนะี่ยเข้ามานะเพื่อให้เราฉลาดเพื่อเรารู้ทันถ้าเราใยรู้นะเราก็ได้ประโยชน์ไม่ได้เสียประโยชน์เลยเนาะจากการที่มันมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเราก็ได้เรียนรู้อันนี้ก็เป็นส่วนของการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะหรือการอยู่กับปัจจุบันก็คือว่า รักษาใจไม่ให้ทุกข์แล้วก็หาประโยชน์จากทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันระหว่างที่เดินทางน ะ, ะก็มีความสุขกับการเดินทางระหว่างที่ทางานก็ทางานด้วยความเพลิดเพลินลองที่ภาวนานะใจก็ไม่เครียดมีความพอใจในการภาวนาไม่ว่ามันจะถึงจุดหมายปลายทางหรือเปล่าหรือแม้จะมีอุปสรรคเกิดขึ้นก็ก็ได้เียรู้จักอุปสรรค ก็ฉลาดขึ้นทุกทีฉลาดขึ้นทุกครั้งที่มีอุปสรรคเครื่องบินจะมาหรือไม่เราก็ได้เรียนรู้เรื่องการปล่อยวางมาก็ดีไม่มาก็ไม่เป็นไรก็ชื่นชมธรรมชาติไปดูืไม่ก็จิตชาไปแล้วก็ได้รู้เรียนรู้เรื่องการปล่อยวางไปในตัวด้วยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความหมายการอยู่กับปัจจุบันนะทําปัจจุบันให้ดี เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตรงนี้หรือตอนนี้เนี่ยนะไม่ว่าทำอะไรเนี่ยหรือไม่ว่าเจออะไรเนี่ยมันมีประโยชน์ทั้งนั้นอย่าง น, น้อยๆก็ผ่อนคลายสบายใจดีกว่านั้นก็คือได้เรียนรู้เกิดปัญญาขึ้นมามีความมีคุณภาพจิตทีพัฒนาขึ้น่แล้วก็ชาเนื้พือเท่านี้จากนี้ไปอ่พอไม่ออกก็จะ สมทานศิล